นะพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเป็นคนดุร้ายนะักพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเป็นคนหยาบคายนักถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักด่าบริภาษ์เธอในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักด่าบริภาษข้าพระองค์ ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ประหารเราด้วยฝ่ามือข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ปุณณนะ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะประหารเธอด้วยฝ่ามือในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษ ย, ย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะประหารข้าพระองค์ด้วยฝ่ามือในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอ ที่ไม่ประหารเราด้วยก้อนดินข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ปุณณนะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะประหารเธอด้วยก้อนดินในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบท จะประหารข่าพระองค์ด้วยก้อนดินในเรื e. ่องนี้ข่าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ประหารเราด้วยท่อนไม้ข่าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข่าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข่าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข่าพระองค์จะคิดอย่างนี้ ปุนนะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะประหารเธอด้วยท่อนไม้ในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะประหารข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอ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 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะประหารฆ่าพระองค์ด้วยศัตราในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอะที่ไม่โปรงชีวิตเราด้วยศัตราที่คมข้าแต่พระผู้มีพระภาค ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ปุณณะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจะปลงชีวิตเธอด้วยศาสตราที่คมในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะปลงชีวิตข้าพระองค์ด้วยศาสตราที่คม ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่าพระสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอึดอัดระอารังเกียจอยู่ด้วยร่างกายและชีวิตสแสวงหาศาสตราเครื่องปรงชีวิตก็มีอยู่เราได้ศาสตราเครื่องปรงชีวิตที่ไม่ได้สแสวงหาเลยข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคต ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ดีละดีละปุณณนะเธอประกอบด้วยความข่มใจและความสงบใจนี้จักสามารถอยู่ในสุนาปรันตะชนบทได้ปุณณนะเธอรู้เวลาอันสมควรในบัดนี้เถิดครั้งนั้นท่านพระปุณณนะชื่นชมยินดีพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุก ข, ขึ้นจากอาสนะ ถวายอภิวาทกระทําประทักษิณเก็บงำเสนาสะนะเรียบร้อยแล้วถือบาทและจีวรลีกจาริกไปทางสุนาปรันตะชนบทเมื่อจาริกไปโดยลําดับก็ถึงสุนาปรันตะชนบทได้ยินว่าท่านพระบุญนาอยู่ที่สุนาปรันตะชนบทนั้นครั้งนั้นระหว่างพรรษานั้นท่านให้ชาวสุนาปรันตะชนบท แสดงตนเป็นอุบาสกประมาณห้าร้อคนแสดงตนเป็นอุบาสิ ก, กาประมาณห้ารคนระหว่างพันษานั้นเหมือนกันท่านปุณณนะได้บรรลุวิชาสามลำดับนั้นโดยสมัยต่อมาก็ได้ปรินิพานครั้งนั้นแลภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุลบุตรชื่อปุณณนะที่พระองค์ทรงโอวาท ด, ด้วยพระโอวาทโ ด, ดยย่อ น, นั้นมรณภาพแล้วเขามีคติเป็นอย่างไรมีอภิสัมปรายภาพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายปุลบุตรชื่อปุณณะเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม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 นันทะโกวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทของพระนันทะกะข้าพเจ้าได้สดะดมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทะปินิกะเศรษฐีเขตครุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยภิกษุณีประมาณ500อรูป เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วยืนณที่สมควรดรียกราบทุนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระโอวาทสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายโปรดแสดงธรรมมีคถาแก่ภิกษุณีทั้งหลายเถิดสมัยนั้นแลภิกษุผู้เถระทั้งหลายย่อมโอวาสภิกษุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไป แต่ท่านพระนันทะกะไม่ปรารถนาจะโอวาทพิสุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรามว่าอานนท์วันนี้วาระให้โอวาทภิษุณีเวียนมาถึงใครหนาท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวาระให้โอวาทพิสุณีทั้งหลาย ภิกษุทุกรูปกระทำแล้วโดยเวียนกันไปแต่ท่านพระนันทะรูปนี้ไม่ปรารถนาจะให้โอววาสภิกษุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระนันทกะมาตรว่านันทกะเธอจงโอวาสสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายพราหม์เธอจงแสดงธรรมีกระถาแก่ภิกษุณีทั้งหลายเถิด ท่านพระนันทกะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วในเวลาเช้าจึงครองอันตรวาสศกถือบาดและจีวรเข้าไปบินธบาทยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบินธบดตในกรุงสาวัตถีแล้วกลับจากบินธบดีภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วผู้เดียวเข้าไปยังราชกาลามภิกษุณีเหล่านั้นเห็นท่านพระนันทกะเดินมาแต่ไกลจึงช่วยกันปูลาดอาสนะ และตั้งน้ำล้างเท้าไว้ท่านพระนันทะกะนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้แล้วล้างเท้าแม้ภิกษุณีเหล่านั้นก็พากันกราบท่านพระนันทะกะแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระนันทะกะเลือกกล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายการถามตอบกันจักมีขึ้นในการถามตอบกันนั้นน้องหญิงทั้งหลายเมื่อรู้พึงตอบว่า ดิฉันทั้งหลายรู้เมื่อไม่รู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงถามอัตมาภาพในเรื่องนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้มีเนื้อความอย่างไรภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดิฉันทั้งหลายมีใจยินดีชื่นชมพระคุณเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระคุณเจ้านันทกะประวรณาแก่ดิฉันทั้งหลายเช่นนี้ท่านพระนันทกะถามว่าน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจะขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุณีเหล่านั้นตอบว่าไม่เที่ยงเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้ อ, อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะคานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะ ชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอายตนะภายในหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะท่านพระนันทกะกล่าวว่าดีละดีละน้องหญิงทั้งหลาย พระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้น้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือเสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะกลิ่นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะรสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะ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 ข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอายตนะพายนอกโกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะท่านพระนันทกะกล่าวว่าดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ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 เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสตวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะคานวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะชิวหาวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะกายะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกอ่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าหมวดวิญญาณหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แหลน้องหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีแสงสว่างก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อประทีปน้ำมันโน้นถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดา แต่ว่าแสงสว่างของประทีปน้ามันนั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นพระเหตุไรเพราะเมื่อประทีปน้ามั น, นโน้นถูกจุดไว้น้ามันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดา ไม่จำเป็นต้องพูดถึงแสงสว่างของประทีปน้ามันนั้นซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเลยเจ้าค่าฉันนั้นเหมือนกันน้องหญิงทั้งหลายบุคคลใดพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายในหกของเรานี้ไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายในหกแล้วย่อมเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกขขมสุขก็ตาม เวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นนั้นเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นนั้นจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นนั้นดับ เวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆจึงดับดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แหละ น้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบและเงาล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบและเงาล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดา แต่ว่าเงาของต้นไม้นั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดา ไม่จําเป็นต้องพูดถึงเงาของต้นไม้นั้นซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเลยเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันน้องหญิงทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะพายนอโคของเราไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะพายนอโคแล้วย่อมสวยเวทนาใดเป็นสุขก็าตามเป็นทุก ข, ข์ก็ตามเป็นอทุกข์ขมสุขก็าตาม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 เวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆจึงดับเจ้าค่ะดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แหลน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โค แยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กในภายในก็ใช้มีดแล่เนื้อที่คมตัดชำละเฉือนส่วนนั้นๆแล้วเลาะส่วนหนังไว้ข้างนอกใช้หนังนั้นนั่นแหละคลุมแม่โคนั้นไว้แล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผืนนี้เท่านั้น คนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคนั้นเมื่อกล่าวชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชนานาญโน้นฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โคแยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสัน เส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กในภายในก็ใช้มีดแล่เนื้อที่คมตัดชําแหละเฉือนส่วน น, นั้นๆแล้วเลาะส่วนหนังไว้ข้างนอกใช้หนังนั้นนั่นแหละคลุมแม่โคนั้นไว้พึ่กล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผืนนี้เท่านั้นแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นแม่โคนั้นก็แยกกันแล้วจากหนังผืนนั้นนั่นเองเจ้าค่ะ น้องหญิงทั้งหลายอาตามาภาพทำอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนขึ้นเนื้อความในอุปมาณนั้นดังต่อไปนี้คำว่าส่วนเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าส่วนหนังข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกคาว่าเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กนั้น เป็นชื่อของนันทิราคะคำว่ามีดแล่เนื้อที่คมนั้นเป็นชื่อของอริยปัญญาที่ตัดชำละเฉือนกิเลสในภายในสังโยชน์ในภายในและเครื่องผูกในภายใน พ่อชงเจ็ดประการน้องหญิงทั้งหลายเพราะพ่อชงเจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพ่อชงเจ็ดประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่ง ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกความสงัดอาศัยวิราคะความคลายคำนัดอาศัยนิโรธความดับน้อมไปในโวสศคะความสละคืน 2. ย่อมเจริญธรรมวิจยสัมโพชงสามย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงสี่ย่อมเจริญปีติสามโพชงห้า ย่อมเจริญปัสธิสัมโพชงหกย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงเจย่อมเจริญอุเบขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในวัวสักคะเพราะโพชงเจ็ประการนี้แหลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทาให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันครั้งนั้นท่านพระนันทกะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาสนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคาว่าน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นชื่นชมยินดีพาษิ ข, ของท่านพระนันทกะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะ กราบท่านพระนันทะกะกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุณีทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณ แล้วจากไปเมื่อพิสุนีเหล่านั้นจากไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพิสุทั้งหลายมาตรัสว่าพิสุทั้งหลายในวันอุโบสถส4บส่ําำนั้น ชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยเลยว่าดวงจันทร์ไม่เต็มดวงหรือเต็มดวงหนอแต่ที่แท้ดวงจันทร์ก็ยังไม่เต็มดวงนั่นเองแม้ฉันใดพิสุณีเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้มีใจยินดีต่อธรรมเทศนาของนันทกะทั้งที่ยังมีความดำริไม่บริบูรณ์ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระนันทกะมาตรัสว่านันทกะถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้เธอพึงโอวาทภิสุนีเหล่านั้นด้วยโอวาทนั้นนั่นแหละท่านพระนันทกะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเมื่อล่วงราตรีนั้นไปครั้นเวลาเช้าท่านพระนันทกะครองอันตรวาสกถือบาทและจีวร เข้าไปบินทบาทยังกรงสาวัตถีเที่ยวบินทบาทในกรงสาวัตถีแล้วกลับจากบินทบาทภายหลังชั้นพัะตาหารเสร็จแล้วผู้เดียวเข้าไปยังราชกาลามภิกษุณีเหล่านั้นเห็นท่านพระนันทกะเดินมาแต่ไกลจึงช่วยกันปูลาดอาสนะและตั้งน้ำล้างเท้าไว้ท่านพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วล้างเท้า แม้พิกสุณีเหล่านั้นกราบท่านพระนันทกะแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระนันทกะได้กล่าวกับพิกสุณีเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายการถามตอบกันจกมีขึ้นในการถามตอบกันนั้นน้องหญิงทั้งหลายเมื่อรู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายรู้เมื่อไม่รู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายไม่รู้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 วรนาแก่ดิฉันทั้งหลายเช่นนี้